แต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคําสุภาษิตและคําทุพภาษิตคำหยาบและคําสุภาพที่ชื่อว่าเกิน5้าถึงหกคำได้แก่เกินกว่า5้าถึงหกคำที่ชื่อว่าธรรมได้แก่พุทธภาษิตสาวกภาษิต ร, รูศีภาษิตเทวดาภาษิตที่ประกอบด้วยอัดที่ประกอบด้วยธรรมคาว่าแสดงคือแสดงเป็นบทต้องอบัติภาจิตีทุกๆบทแสดงเป็นอักษร ต้องอบัติปลายจิตตีทุกๆอักษรคําว่าเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่คือยกเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วยบุรุษที่ชื่อว่าเป็นผู้รู้เดียงสาคือสามารถรับรู้ถ้อยคําสุภาษิตทุภาษิตคําหยาบและคําสุภาพ